ทำกันเนะอยู่ใกล้ก็มีอยู่ไกลไกลก็มีกันศึกษาเรื่องชีวิตของเรานี่อยู่ใกล้ตัวเราก็คือกายคือใจจับมาใช้ให้ถูกให้ตองได้สัมผัสได้ นี้สตินี้สัมปัญญะเป็นหลักโปรดใช่กายใช่ใจให้สติให้สําชัญญะใช่กายใช่ใจเราจะให้กิเลสตัณหาความโกรธโลภหลงไม่ใช่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดไม่ต้องยื้อไปต้องขอไม่ต้อง แหาณนะที่ใดมันเวลาก็มีให้ใช้เท่าๆกันเพราจะใช้ให้เกิดประโยชน์ก็ใช้ได้ใครไม่ใช่ก็ไม่เกิดประโยชน์จอคนนั้นไม่ควรจะอ้างอันใดมาขวงกันจริงที่ถูกที่เรามีสิทธิอ่าก็ให้รีบใช่รีบทา ก็จะได้มั่งมียิ่งใช่ ย, ยิ่งมากตุลานท่านว่ารักยาวให้บรรลกสั้นให้โตก็ อ, ต อ, อยู่ที่ตัวเรานี่เองถ้าเราต่อวางรู้สึกมีสติสัมชัญญะไว้ในกายในใจแล้วก็ใช่ยอย่างนี้ แต่เราใช่อย่างนี้จริงที่มันสั้นลงก็มีริงใดที่ผิดก็สั้นลงสิงใดที่เป็นสุขเป็นทุกข์ก็สั้นลงความถูกต้องก็ยาวออกไปรอบหรือว่าลู่รอบรอบเจนหน้ารอบเป็นทั้งเห็นทั้งได้สมผัดทั้งได้รู้สึกทั้งได้ เกิดประโยชน์เหมือนเรามีเงินในกระเป๋าสำหรับใช้เดินทางในกายในใจเวลาอะไรเกิดขึ้นที่ต้องใช้เงินใช่ต้องใช้หนี้ตามแระเบียบกว่าใช้ได้เลยหรือสมกันเราขับรถจับพวงมาไหลความเป็นสากลของรถ เหมือนกันหมดการวิ่งการหยุดการโตการช้าอยู่ที่เราเป็นคนขับให้มั่นใจถ้าเราได้ใช่รถยนต์เราได้ขับเราได้จับพวงมาลัยแม่อะไรจะเกิดขึ้นเราก็จับอยู่นี่ตามหลักถูกต้องอยู่นี่อยากจะหยุดก็หยุดได้ จึงเงินที่หมอนชุดให้วิ่งเช่นลงเขางวงตำ่ำมันชุดให้วิ่งแล้วก็สามารถชชาได้มนให้ไวเราก็ช้าได้มันอยู่ที่เรา น, นั่นก็เป็นรถยนต์ยังใช้ได้แต่ว่าตัวเรานี่ยิ่งมั่นใจกว่านั้นดังนัมี ความรู้มีวิธีมีปัญญาการใช้กายใช้ใจนี่มันก็ยิ่งมั่นใจแต่ต้องหัดแต่ทำไมหัดก็ใช่ไม่เป็นเอาไว้จะหัดให้เป็นแต่หนุ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวเมื่อแข็งแรงมากหัดเอาไว้ ถ้าไม่หัดมันก็หลายเรื่องที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเลทก็ผันหน้าตัณหาก็ร้อยแปดเกี่ยวข้องกับอะไรก็เกี่ยวข้องกับกายกับใจหมดนิมิตาก็มาเกี่ยวข้องกับกายกับใจสฉินสฉินสุขทุกได้เสียมันมาเกี่ยวข้องกับกายกับใจทั้งหมด จ ะ, นนจะวิ่งแก้ตรงนั้นจะวิ่งแก้ตรงนี้แก้ไม่จบเรื่องเดียวก็แก้อยู่ตลอดพ้อตลอดชาติแล้วก็ไม่จบไม่สิ้นหลายๆยอย่างเกิดขึ้นกับปายกับใจกิดก็มีถูกก็มีจนถึงก็มีทุกมีแต่ลามีตัวบทกฎหม่เสตตาอาบุบ มีพิธีกาต่างจับกลุมคงขังติดโซ่ติดรวนักคนอื่นมาคุ้มครองกายใจเราไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเราจึงต้องหัดให้มีทำให้เป็นให้ไรู้จักตัวเองให้รอบคอบซะมั่นใจมั่นใจในการมีกายมีใจเนี้ย อยู่ในโลกังหลายโลกหลาชาติก็มีความมั่นใจอยู่เสมอมีธรรมเหมือนกับมีทุกอย่างแต่ไม่มีธรรมแล้วก็จนทุกอย่างตั้งกลัวทั้งกล้าทุกอย่างเกิดขึ้นจากภายนอกบ้างเกิดขึ้นจากภายในบ้าง แต่ถ้าเราไม่มีความรู้รอบมีสติเป็นเจ้าของกายเจ้าของจิตใจมันก็เถื่อนฝึกไว้ซะแต่เราไม่ฝึกมันก็ป่าเถื่อนนะกายของเราใจของเรานี่หิวไปไหนก็ได้ไปสู่พวกปุมต่าง นากมายเป็นป เ, เป็ น, นสุลกาเป็นสันโลกเป็นนิรันดร์ผมเหมือนต่ำผมไม่จเจริญเกิดม า, า, าตั้งชาอิอยู่ในภู้ไม่จเจริญกายก็เดือดร้อนใจก็เดือดร้อนแก้ปัญหาสร้างปัญหา มันสามารถที่จะติดอะไรได้กลก็นไกลีด้ติดจริงที่ชั่วติดริงที่ไม่ชั่วที่ถูกที่ผิดเล้วเราไม่รู้จกใช่จะรู้จละลอยว่าเปิดเบื้อนสูญเสีย เมื่อแท่จิตแท่จิตเดิมแท่ธรรมชาติของจิตธรรมชาติของกายเราจึงพิจารณาตามหลักความถูกต้องเข่มเหลาสาทยายพระสูตรสติปัฏฐานพสูตรที่พระเจ้าทรงสดแดงอันมีมากถ้าเราไม่ศึกษาไม่เรียนรู้ไม่ฝึกหัด สิ่งที่ถูกไม่ให้ใช่แต่ไม่ได้ใช่สิ่งที่ถูกมาใช่สิ่งที่ผิดก็มียิ่งหลงเป็นหลงก็ใช่ความหลงซะทุกเป็นทุกก็ไปใช่ความทุกซะเราใช่ความไม่ทุกใช่ความไม่หลงไม่ค่อยจะเป็นถ้าเราไม่หาดไม่เคยชินเหมือนคนไม่หดัด พฤกหัดการงานต่างๆจริงต่างๆก็ทำไม่เป็นแต่ผู้หัดก็ทำเป็นเดียนรู้เราก็ทำเป็นรู้จักรู้แจ้งชีวิตของเราเนี่ยไม่มีอะไรมาขวงกันบอกตรงงมาแบบงโง่ๆซื่อๆหลงก็เป็นหลง ความไม่หลงก็เป็นความไม่หลงทุกข์ก็เป็นทุกข์ความไม่ทุกข์ก็เป็นความไม่ทุกข์อยู่เสมอเดี๋ยวเราใช่ไม่เป็นในเฉยเนี่ยก็เลยเป็นชีวิตเถื่อนไม่รู้จะแก้อย่างไรวิ่งโน่นวิ่งนี่หาโน่นหานี่ป้องกันแบบโน่นป้องกันแบบนี้ โดยคำพูดคำจาด้วยความคิดต่างๆพิธีกรรมเกิดขึ้นมากมายเพื่หลักการปฏิบัติความถูกต้องต่อสิงที่หมืนผิดที่เกิดกับปปกับใจก็ยังแก้ไม่ถูกแต่ทําวิธีลีตรงเอาต่างๆเกี่ยวกับคนอื่นสิงอื่นวัตถุอื่นเอามาทํา ตอนสางเมืเกิดเกิดปายเรานี่เกับใจเรานี้ไปทําพิธีกรรมพิธีกร ร, กรรมมีมากมายเกี่ยวกับคนอื่นเกี่ยวกับสถานที่ด้วยเพื่อนเล่นทำมาวินนายพิธีกรรมต่างๆก็มีเยอะแยะจนมาอยู่ในหลักส่อสารพิธีอยู่ในหลัก วัตถุอยู่ในหลักบุคคลอยู่ในหลักธรรมเรีกว่าสาะวัตถุสาระพิธีสาระบุคคลสาระธรรมเข้าไม่ถึงสาระธรรมไปเกี่ยวข้องกับสาระพิธีสาระวัตถุสาระบุคคลก็ทำไม่สำเร็จ ไม่แต่ความผิดผ้าก็เกี่ยวกับส า, าสนวัตถุสาราพิธีสารบุคคลเรืแอ่ ต, ตัวเราเอ ง, งถ้าจะแก้ได้ก็ไม่ค่อยแจ้ตรงถูกที่จุดถูกไปแจ้จรงที่จุดที่ไม่ถูกต้องมีมากเสียเว ล, เวลาเรื่องพระสง์ จะมาวินายวินายที่บัญญัติแล้วเราแก้ภิกษุผู้เกยากผู้ดื้อดานเมื่อก็ัวตัวบทกฎหมายคุกตัลางสำหรับแก่คนที่ดื้อดานแล้วคนไม่ดื้อไปกลัวทำไมไม่ต้องไปให้คนอด่นมาแก้ไข ใส่สซ้ใส่ตวน่ะปุ่มปุ่มขังว่าถอยว่าความวิจังต่างๆมาไดไ้ไปถึงโน่นก็ได้เช่นเรื่องธรรมบิ น, นัยจะล้ยแก้ผู้เก์ออยากก็ไม่เกยยากก็ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับวิธีกรรมต่างๆ เป็นปริวาสคุงอาบัติปริวา ส, วาสอาบัิก็มีหนักมีเบามีบานกลางถ้ามีหนักก็ตัดขาดลงโทษถ้ามีเบาก็ปริวาดถ้ามี มีเบาที่จุดเป็นคาลูบัดและหูลาบัดแต่คารูบัดก็หนักและหูลาบัดก็เบาเพียงแต่โบกคววมจริงจะให้อภยัยทำกันเจนความพูดทิผิดเกี่ยวกับมิตรกับเพื่อน การทำที่ผิดเกี่ยวกับมิตรกับเพื่อนนะสิ่งที่ไม่ถูกต้องเห็นตัวเองทำผิดก็บอกสลรภาพต่อเพื่อนเพื่อนก็ให้อาภายัยเห็นดีกันได้แต่หนักก็ไม่มีใครให้อาภายัยกรรมของตัวเองที่ทำไป ว่าไปกันไกลหรือเกินแต่ที่มันอยู่ใกล้ตัวเอามาแก้ใกล้ตัวเนี่ยมีจติเป็นหน้าโลภเนี่ยอะไรเกิดขึ้นมาแก้ลูกเปลี่ยนร้ายเป็นดีหรือว่าปฏิบัติสามารถทําได้ไแต่ตาบอดก็ทําได้แก้ได้แก้ความถูกต้อง หูหนวกพิการเคลื่อนไหวไม่ได้ก็แจ้ได้บาปกรรมหรือว่าความผิดความถูกที่เกิดขึ้นสัมพันธ์กับใจเนี่เป็นความทุกข์เกิดขึ้นเพราะความแก่ความทุกข์เกิดขึ้นเพราะความเจ็บความทุกข์เกิดขึ้นเพราะความตายความทุกข์เกิดขึ้นเพราะความพัดพรากจากของรักของชอบใจ ควมทุกข์เกิดขึ้นจากความคิดควมทุกข์เกิดขึ้นกับเหตุการณ์ต่างๆมันก็ต้องอยู่ที่ตัวเราเองที่จะต้องไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยได้มีธรรมนี่ก็ว่ามีธรรมนี่มันมีความมั่นใจมันมีหลักไมื่อใดทุกข์ป็นความทุกข์มันได้ ทุกประความเฉะม่ได้ทุกประความเจ็บม่ได้ทุกประความตายมาได้สุกป่ะความสุกมาได้หลงประความหลงมันทำได้อย่างนี้หูหนวกตาบอดก็ทําได้กันที่ว่าทุกประความไม่ถูกต้องกวามไมทุกเป็นความถูกต้องหัดได้มาทางนี้ ส่วนมากทาให้หัดก็ง่ายไหลไปทางต่ำเหมือนน้ำไหลจากที่สูงสู่ที่ต่ำาีวิตของคนนี่อันเป็นอย่างนั้นเราจึงรีบหัดรีบฝึกหัดตัวเองเนี่ยโดยวิชากรรมฐานนี่ทันใจทันใจมาเป็ศูนย์รวมจุดเดียว กรรมฐานที่ตั้งให้กะกระทำ ม, มันผ่านมาตั้งนี้หมดสิ่งที่ถูกก็ผ่านมาสิ่งที่ผิดก็ผ่านมาให้เห็นแต่ไม่วิชากรรมฐานไม่วิธีกรรมฐานเนี่ยตามหลักที่พระเจ้ชชาสอนเนี่ยปฏิบัติตามธรท ร, ท ร, ทรมเนี่ยมีสติมีสัมัญญา เห็นกายที่เป็นประจําคนก็มีกายเป็นรูปเนี่ยเป็นดุนเป็นก้อนเนี่ยมีอยู่รูปก้อนของกายของรูปจะเป็นธาตุสี่มีขันห้าเนี่ยมันสามารถที่จะบอกแสดงออกอันความผิดความถูกให้เห็นอยู่เนี่ยเป็นความหนาวเกิดขึ้นกับรูป ความหิวเกิดขึ้นกับลูกกวางร้อนเกิดขึ้นกับลูกความอิ่มเกิดขึ้นกับลูกมีอยู่จริงๆความสุขความทุกข์เกิดขึ้นกับลูกมีอยู่จริงความสุขความทุกข์เกิดขึ้นกับลูกเป็นสมมุติบัญญัติไม่ใช่เป็นธรรมชาติเกลื่อนร้อนกลื่อนหนาเป็นธรรมชาติไม่ใช่เป็นสมมุติ การธรรมชาติกําหนดดูดีการดูเป็นปัญญาไอ้หม้อเช่นความไม่เที่ยงมอบให้ความไม่เที่ยงความันทุกหม้อไ้ความไม่ทุ ก, อ, มมทกอันทุกตามธรรมชาติเดทุกสุขที่เกิดจากสมมติปัญญาเป็นทุกต้องแก้ต้องเปลี่ยนมันนักทําดู มีสติสำชำจะมักจะเห็นช่องทางเป็นกระแสะผู้ที่ปฏิบัติตำหลักสติปัฏฐานใจนี้เพียงักเห็นกระแสพระนิพพา น, านทำพระนิพพานให้แจ้งอยู่เรื่อยๆมืดมาก็าแจ้งไปมืดบางก็แจ้งไปรอมแจ้งแห่งกรรมฐานหรือว่าวิปปัสนีนี่ มันไม่ได้มืดเปิดทางให้ทุกวิถีทางเห็นกายจะว่ากายไม่ช่สัตว์บุคคลตน ต, ตนโลกเขามาแจกไปทางโน้นแล้วแต่มันมืดเห็นกายเป็นตัวเป็นตเนเราก็มีสมมุติบัญญัติเป็นดงเข้าไปเลยเป็นตวิชามืดเข้าไป ไม่เห็นตามความเป็จริงมืดเข้าไปเลยเป็นตัวเป็นตน้นเป็นสมมุติเป็นอุปทานไปปลดด้าวิปัชนนาเนี่ยมันลู่แก้งวัศกว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนโราของไม่ธรรมชาติมอบให้ธรรมชาติไปไปทิ่งลงไปกับธรรมชาติกับความเป็นทุกข์ความความไม่เที่ยง ทุกข์มันเกิดจากธรรมชาติมันมีที่ทิ้งที่วางทุกข์เกิดจากสมมติบัญญตัติมันมีที่แก้่แต่มีสติถอดออกมาลูจิกตัวกลับมารูจิกตัวถ้าแก้ทันทีอันมาให้แก้มันไม่ใช่มาให้หลงให้ลืมให้เป็นของที่ข้างคาอยู่ แต่เราไม่แก้สิ่งที่มันผิดนะก็ติดอยู่ที่รูปที่นามนี่ว่ามันมีรูปมีนามหัดให้มันถูกทันทีไม่ใช่ทําเล่นๆสิงใดไม่ถูกต้องหาแต่มันถู ก, น ใ, นนถ ก, ถกในขราวเดียวกันทันทีมันจ๊กจะจํนานาจิกิทำเป็นหรือว่าทำเป็น เวลาเมื่อหลงกัรลู้ทันทีนี่ทำเป็นที่แรกก็ต้องหัดต่อไปไม่ได้หัดมันเป็นไปแล้วจำนานแล้วทะลุทะลวงไปแล้วลู้แจ้งไปแล้วจะให้มันเป็นสุขก็เป็นสุขทุกข์ก็เป็นทุกข์มันเป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่ตัวตนนั่นนั้นอันสุขกันทุกเนี่ย บอกเคลื่นไปมีจติสำฉัญญะให้รู้จึกตัวให้รู้จึกตัวหนังพระสูตรที่เราสวดให้รู้จึกระลึกได้นี่ความรู้จึกระลึกได้มันเป็นการถอนลงมาแล้วเหนือแล้วเหนือจกเหนือทุ่งแล้วคาว่ารู้จึกตัวรู้จึกตัวให้รู้จึกตัวเนี่ยความรู้จึกตัวก็ไม่กินพื้นที่ กันสุ ก, กันทุกมันกินพื้นที่่าทีมันยืดเอาก็กินพื้นที่ใหญ่ยืดของอะไรยืดคลองนี่สำคัญมั่นหมายนะรู้สึกตัวเนี่ยไม่กินพื้นที่ว่างเปล่าไปเลยไม่มีพื้นที่ให้อาศัยไม่กินพื้นที่ทำไม่กินพื้นที่ใช้ชีวิตไม่กินพื้นที่ แม่อยู่กับโลกที่เป็นโอกาสโลกแผ่นดินแผ่นฟ้าก็ไม่ได้กินพื้นที่อยู่กับโลกแห่งลกูลกรถเสียงเฉียงก็ไม่ได้กินพื้นที่ถ้ามีธรรมเนี่ยถ้าไม่ไมีธรรมก็กินพื้นที่แย่งกันแย่งเอาความสุขปิดคันคนอื่นแย่งเอาความทุกข์ขวงกันคนอื่น ย่นเกิดปัญหาเพราะมันกินพื้นที่สองคนอื่นมันมีถ้ามันมีสมมติเหมืนอนหยดมีการแสดงออกเป็นคาพูดคำจา่าเป็นความชิดเป็นวัตถุ ก, ก็ได้มันไปไกลถ้าสัาต่ว่ามันไม่ไป ที่ไหนมันอยู่ตรงที่เดิมตกที่เดิมตกที่เดิมแล้วก็หายไปมีแล้วหายไปแต่ให้มันหมดไปเช่นไปมันดับหายไปไหนไปมันเกิดมันเกิดขึ้นอย่างไรเดี๋เมื่อวาร์ดามันดับมันไปไหนบาบบุญก็เช่นเดียวกัน ถูกทุกกเช่นเดียวกันมันไม่มีเราก็เสียเวลากับสมมูิบัญญัติเอามาให้ลบลังไปหมดเลยจิตใจของเราเหมือนคอมพิวเตอร์มันสะสมอะไรได้เยอะยึดโ ท, ทรศัพท์น้อยๆสะสมหลายชื่อบุคคลได้ตั้งห้าหมื0นห้าแสนหรือห้าต่อไรก็ว่า บรรจุลงไปข้อมูลใส่ลงไปกำหนดเวลาวันที่เท่าไหรใส่ลงไปเครื่องน้อยเท่าสองนิวยบรรจุลงไปเสียงก็บันจุลงไปเก็บข้อมูลได้เยอะๆเนี่ยจิตวิญญาณของคนเนี่ยก็เก็บข้อมูลได้เยอะๆเนี่ย แต่เราไม่รู้จักใช่กับลุกลงลังไปหมดเลยแต่จิตที่รู้จักใช่มันก็ไม่เหมือนกับวัตถุจริงของว่างเปล่าจะความหมายความเป็นตัวตนมันจะแก่จ ะ, จะตายเป็นทุกข์ความแก่ความเก็บความตายไม่ได้เบ็ดขาดความแจ่มไม่ใช่ ชีวิตจริงๆนะก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคือมันชีวิตมันถูกต้องจริงๆเนี่ยกวไม่เป็นอะไรกับบารัยเนี่ยมันเป็นของที่เหนือทุกอย่างยิ่งใหญ่เป็นธรรมชาติยิ่งใหญ่กว่าทุกอย่างธรรมชาติมันยิ่งใหญ่กว่าทุกอย่างยึงมาฝึกหัดให้มันทําเป็นรำได้เสียตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็น น้อยเนี่ยอย่าได้ประมาทมันมีให้เราศึกษาอยู่อย่าเอาสมมติบัญญัติเอาสถานที่เอาการเวลาไม่มีการไม่เวเวลาดอกการปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีไปเอานินทาสัมเสริญสูตทุกเมื่อขวัเมื่ อ, ข, อขัน้น ลำยากอยู่ยากเยี่กับตัวสิงของเกี่ยว ก, กับผู้กับคนเกี่ยวกับและเบียบแบบแผ น, นต่างๆมีลงไปแล้วเบียบอะไรก็ไม่ลงไปมันอยู่ที่ตัวเราเราแก้ที่ตัวเราเนี่ยแล้วเบียบมันเราไม่แก้อะไรไม่ได้ถ้าเราไม่แก้ที่ตัวเราเนี่ย เหมือนลั่วมีก็มีป่แต่เราไม่ได้ไปมีปัญหาป่อยลั่วมาล้อมเราก็ใช่ชีวิตอย่างนี้ความถูกต้องไม่มีลั่วล้อมเช่นฉินเนี่ยวันล้อมสําหรับคนที่ดือ้อถ้วคนไม่ดื้อก็ไม่ต้องเกี่ยวกับลั่วฉินกับคนรวยความสะดวก สมาธิก็อำนวยความสะดวกปัญญาก็อำนวยความสะดวกให้ผ่านได้ทุกกรณีมีจิตสันญกอยู่ทุกกรณีไม่จะมีอะไรก็เราก็อยู่ที่นี่แล้วมาถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงนะรู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้แก้งในสะิ่งที่ยังไม่แจ้งอยู่เสมอ ชีวิตมันคงนี่คือชีวิตแท้ทๆแล้วเนี่ยมันต่อยอดมาจากชีวิตที่ไม่แท่ไม่จริงมันเลยยอดมาอย่างนี้ต่อยอดมาอย่างเนี้ยมีรูปรูปมันเป็นทุกข์รูปเป็นเป็นสมมุติรูปเป็นเป็ น, ปป น, ปนบัญญัติรูปเป็นรูปโลกต่อยอดมา ในรูปได้นามมาต่อยอดนเป็นมากเป็นผลถ้าไม่มีรูปมีนามมันก็ต่อยอดไม่ได้น่าจะขอบคุณที่ได้รูปได้นามมาเนีขเนเ่ขอบคุณทั้งมีผู้มีพระคุณในเนิดเกิดมามีบุญมีคุณขอบคุณที่พรเจ้าได้ พาศึกษาธรรมขอบคุณพระธรรมตอผลวิธีปฏิบัติจนเกิดเป็นพระอลหันต์ขึ้นมาขึ้นพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติออกจากทุกปฏิบัติเป็นสถาบันแล้วก็อยู่ตรงนี้ทั้งนั้นปฏิบัติดีมาเลยอะไรจะเกิดขึ้นมาก็มาเลยหมาอะไรก็ําให้เป็นปฏิบัติดี มาอะไรก็ปฏิบัติตรงอยู่เสมออยู่ที่ตัวเราเนี่ยคำว่าดีคำว่าตรงออกจากทุกปฏิบัติเป็นสาบันมาช้ำนาญ น, นี่เลยว่าหลักของการถูกต้องก็มีหลักปฏิบัติคือร่อวมพระสงฆ์พระสงฆ์คือหลักปฏิบัตสิสอย่างสามารถเป็นสังฆะเป็นสงฆ์ได้ ผู้ควเราต้องเกณฑ์ทานขนขวับบ่ายแต่มันจะรียกมือไหวได้แม่เกิดในตัวเราก็ยกมือไหวตัวเราได้เกิดอยู่กับคนอื่นก็ยกไหวคนอื่นได้เขาลบคุทธธรรมที่มีอยู่กับพ่อกับแม่เคารบคุทธธรรมที่มีอยู่กับลูกก็ได้กับเพื่อนกับไม่กับใครก็ได้ถ้าใครไม่มีคุทธธรรมก็ไม่แปลจะไปคารบที่ไหนก็ไม่รู้ เคยไปไปไปชมกันเรื่องภาพรูปหนึ่งที่เก่าปผิดๆกันหลวงพ่อเทียนเขาเอาชิปคีปมาเปิดให้ฟังก็้เอเป็นล้อเล่นสาทกเล่นภาษาของคนไม่รู้แล้วก็จะรูปให้เพื่อนทราบ ว, ว่า เรื่องอย่างนี้อยู่ที่ตัวเราเองเราเด้อผมสวนตัวของผมเองผมไม่เคารพพระลูกนี่ที่เป็นชิปชิปเสียงเหลอนี่ยผมไม่เคารพท่านแล้วบอกท่านพูดว่าไม่จริงจะพูดที่มีความจริงเป็นอย่างหนึ่งความไม่จริงท่านหนามาพูดเองเราไม่เคารพท่านก็แค่นี้ ถ้าคนได้พูดจริงที่ไม่จริงให้เป็นของเล่นๆเนี่ยมันก็ไม่น่าเคารพอะไรก็ง่ายๆเราไม่มีบุญคุณไม่มีคุณอะไรมันไม่มาไม่ยากแต่คนไหนที่เป็นคนดีเราหนักในบุญคุณของท่านไม่ใช่หนักหนี้หนัก ด้วยสภาสมบัติหนักบุญคุณอันหนักนี่สินนี่ยังเบากว่าบุญคุณบุญคุณมันหนักกว่านี่กว่าฉินมันอยู่ในหัวใจหนักนี่ฉินนี่มันอยู่ในภายนอกๆจะมีผู้มีพระคุณเช่นพระพุทธเจ้าพรารมพระสงฆ์ คุณพ่อคนแม่คุณครูอาจารย์เพื่อนมิตรผู้มีคุณเราโลภทุกคนทุกชีวิตแล้วก็เลยอยู่ได้ด้วยกับผู้มีพระคุณเป็นเครื่องประดับชีวิตของเราเพื่อนมิตรเป็นผู้มีบุญคุณเราประดับชีวิตเรา แม่เราเดินไปทางเลือนธรรมไปอยู่ในแถวนั่นเดินเจงกมอยู่เห็นวดใสปิดดกเห็นว่าพุทธ ด, ดูเห็นเสยเมาทำไม่จับเราก็ยังอุ่นใจมองเห็นบุญคุณความเป็นจริงที่แสดงเป็นวัตถุเราก็ยังอุ่นใจเป็นภาพที่อุ่นใจไม่เดินไม่เหมือนกับเดินไป จุดเสืองจุดเสียหายแล่หละมัดเะวังได้เดินเจ้ากอมอยู่หน้าวัไใดปิดดกอยู่เฉยมาทํามาจักอยู่ที่วิธีปฏิบัตินิสติดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดในกาพูดหลงพ่อเทียนสอน ต่อหน้าต่อตามีเจติ ด, ดูกายเคลื่อนไหวเห็น ใ, ใ, ใจมันคิดทำเหมือนจดหนังสินทำดูหนังสือทำเป็นลกูกเชื่อกขาดขาดตรงนี้มีเจติ ด, ดูกายเคลื่อนไหวเห็น ใ, ใจมันคิดทุกทีมันก็ขาดหลงขาดหลงขาดล ง, ดลงมันไม่ต่อไม่ไม่ตมันขาดจะใช่ไม่ได้เห็นเจติดูกายเคลื่อนไหวเห็น ใ, ใ, ใจมันคิด เหลคิดไม่สามารถจะต่อไปไหนให้เป็นกีเลสตระหนัได้เป็นความโกรธความโลภความหลงได้มันก็ขาดแม้มันเป็นเชือกมันขาดจะใช่ไหมจุกมันขาดออกเองล่ะเวลาไม่ใช่ก็เป็นเชือกอยู่แต่จะใช่เป็นจุกเป็นทุกมันขาดออกหรือว่าเชือกขาดตรงนี้มีสติดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจมันคิด ระหว่างคนไม่ขาดเป็นความสุขปุ่มความคิดเป็นความทุกข์ปุความคิดเป็นความรักความชังปุ่ความคิดเชือกมันไม่ขาดดึงไปทางซ้ายบ้างดึงไปทางขวาบ้างถ้าตามหลักจริงมีสติดูกายขึ้นไหวให้จำมันคิดอย่าเข้าไปอยู่ในความคิดหลวงพ่อเทียนก็สอนนี่เรามาปฏิบัติก็เห็นอย่างนี้ เอาเลยคิดอะไรก็คิดมาเราใช่เกิดประโยชน์ได้ปัญญาได้ติได้ความํำนานอันเกิดจากความคิดเนี่ยอันเกิดจากกายมันมีบางครั้งบางคราวเกิดจากตาก็มีบางครั้งบางคราวเกิดจากหูก็มีบางครั้งบางคราวแต่เกิดจากใจนี่ไม่เลือกเวลา ไม่เดี่ยวกับวัตถุเป็นคู่มันหมาเองมันชี้กันมอนเองก็ได้ช้ำนอนจะไม่ดันมันไม่คิดมันจะไม่รู้เรื่องนี้บางคนไปห้ามคิดส้บริกรรมตัดออกขมไว ม, มันก็ไม่ค่อยถูกต้องไม่ได้บทเลียนจากความคิดการแต่จะรู้ของพระเจ้าบวามผิดทางจิตมันเกิดจากความคิด ไม่ใช่ไปเกิดจากกายเรีใช่กายนั่งแต่มันอาศัยให้เห็นความคิดที่มันแสดงออกมาเนี่ยอันนี้อะไรได้หลักไปดูยี่ดีๆแี่แตะวันดอกของหลานทำมีจะิดดูดก้าขึ้นไ้เห็นใจมันคิดเนี่ย คิดเราไม่ไปทางไหนเมันขาดมันเชือกไหมมันมีเชือกอยู่ท่นั่นด้วยเดินเด่นอยู่เท่านั้นมันก็มีความสุขมันมีความอุ่นใจอุ่นใจก็ต้องไปให้ดูอย่าน้องสินทำไมวกเราททำไมโดยกานเป็นการการศึกษาจะไปอยไปอยู่ในกติดิหราไปนอนอยู่ เปเผยตัวเองขึ้นมาเอาจิตเวทล้อมสอนตัวเราลงไปเดินมาทางไปใต้ดิโดการดูสักแถวหนึ่งเข้าความหนึ่งสามัญญบับพระกายบับพระกิจบับพระมีการแสดงกายบับพระก็คือการเคลื่อนไหวกิจบับพระคือมันคิดกายบับพระธรรมชาติ มันมีการจัดแบ่งแล้วก็เราก็มาดูตัวเราดูภายนอกกตับมามากลับมาดูภายในตาไม่เห็นภายนอกแต่ปัญญากลับมาดูเราตาภายในมันมองกลับตาภายนอกมองไปข้างหน้าตาจิตจ ป, ปัญญามันมองกลับมากลับมากลับมาอ้าวตอนนี้ก็บอกเนาะ องกขวนจเวลาขำพระพ่อกัน